เป็นสภาพที่นำความย่อยยับมาให้หรือขันทั้งหลายชื่อว่าย่อยยับเพราะความวิบัติมีความป่วยไขขัขนมีการหมุนไปขันนำความย่อยยับมาให้นำความวิบัติมาให้ฉะนั้นจึงเป็นสภาพที่มีความจันไรใช่ไหมก็กระซิบบอกโยมก็กลายบอกว่าที่พระทา่านในพรเนี่ยท่านบอกว่ากายกระจายของคุณเ น, นี่ยมันเป็นเสนเนียรตรงจัน ก้าบอกเข้ามา้ยกล้ามั้ยบอกมันเป็นอิติโตมันจะไหลต้องกล้กาพูดมัยฮะผมไม่สบายเลยไมเราบอกว่ามันแปลว่าย่อยยับตาก็ย่อยยับหูจมูกเล่นกายใจก็ย่อยยับใช่ไหมสัพท์นี้ก็คือเป็นศัพท์ท่านต้องการให้ถ่ายถอนจะได้ไม่ยึดมันดือมันใช่ไหมเ <c oughs> พราะจริงๆแล้วเป็นสิ่งนี้หน้าตำหนิ ไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินอะไรเลยนะ เ, เวลาเรารับพรเรานึกถึงคำนี้บ่อยๆไหมนึกเกี่ยวกับกล้าพนมมือรับนหเมื่อก็พระท่านรับท่านไ่งพรเนี่ยช่วงวันที่หงรับด่อยไหมสั บ, บ, พ, พ, บสพีดีโยเนี่ถ้าเขาบอกว่าไงขันมันเป็นสภาพที่ย่อยยับโยมอย่ายึดถือนะขันเป็นสภาพที่เป็นเสนียดจัดใจขันเป็นสภาพที่นํามาซึ่งความป่วยไข้ นำมาซึ่งความบิบัติอย่าเยึดถือเลยปองภาระได้แล้วแล้วก็วไม่ใช่ของโยมไม่ใช่ของของใครไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของของเราอย่างเงี้ยนะให้มวิจัยแบบเนี้ยก็มันบอกบอกโยมก็บ่อยๆได้ไหมใหม่ๆก็มีอุบายวิธีดิเอาคําแปลไปดิเอ๊ะเนี่ยเคยได้ยินพระท่านสวดมวนต์ไหมนย่างเงี้ย ถ้ใช้อ่านนี่ฟังหน่อยที่เนี่ยตาพ่ อ, อ, อมองไว้ไเ ว, ไวเขาจะได้ปะเขาอ่านอุปัตถวะตวก็คืออุบาทนี่นะพิจารณาเป็นอุปัตถวขันเนี่ยนําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างมากหลายชนิดที่ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมาให้เนาะเพราะเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยก็อุปัตถวทุกทุกอย่างด้วย <S <S ตรงนี้ท่านบอกว่า สภาพใดย่อมทับถมฉะนั้นสภาพนั้นชื่ออุปัทวะสภาพที่ให้เกิดสิ่งที่ไร้ประโยชน์เนี่ยนีทับถมก็เรียกอุปัตวะทั้งนั้นแหละเอาอุปัตวะในที่นั้นก็พว ก, กรรมกรทั้งหลายสามสิบสองชนิดไปดูในภาระบันทึตสูตรเนี่ยถ้ามีขันออกมาเนี่ยโดนลงกรรมกรเยอะแยะเนี่ยโดนยิงโดนทุบโดนตีใช่ไหมสัตว์บางประเภทเนี่ยเกิดมาแต่จะลําบากเป็นเด็กก็โดนตีกันเยอะ อีอย่างจริงๆนะสภาพที่มันย่อยยับเนี่ยเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้สารพัดจะโดนตอนที่อาตมาไปป่วยอาตมาก็ยู่คิดถึงศัพท์นี้มากเนี่ยทั้งๆที่เราก็ทำตามกฎหมายบ้านเมืองเขางนี่แหละไม่ได้ผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาหรอกแต่เขาก็เอาไปทำลายเขาไปปัสลายมีการผ่ามีการตัดหมอเขาก็บอกวาอ่าเจ็บนิดเดียวนะ ไม่นิดเดียวหรอกเขาก็พูดไปไงั้นนหะก็ทงังใช่ไหมเวลาไปฟอกเลือดแต่ละทีเนี่ยเขาใช้เข็มไม่นาเข็มแทงหมูใช่หมแทงเข้าไปสองรูนะแทงเข้าไปแล้วก็ดึงเลือดออกมาอะไที่นี่ไงเขาก็ทรมานอย่างนี้เละก็โดนลงโทษสารพัดใช่ไหมเอ้าอเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะต้องเดี๋ยวหมอจะรักษาให้หน่อยนะ ก็เอาไปผ่าเอาไปผ่าแล้วผ่าอีกอยอ๋อสงสัยเส้นเลือด น, นี้เสียเดี๋ยวต้องผ่าใส่ใหม่เอาผ่าอีกแล้วใช่ไหมอ๋อสงสัยตรงเนี้ยเออกระดูกเนี่ยรู้สึกจะมีปัญหาเดี๋ยวขอหมอเจาะดูหน่อยนะเอาเอข้าเจาะไขสันหลังใช้อย่างสว่านเจาะเจ็บนิดเดียวนะเจ็บนิดเดียวนะไล่ไปที่นี่ไงนี่มันเป็นแบบเนี้ยมันนํามาซึ่งอุปถัมภ์เยอะแยะหมดเนี่ย นงนั่งกันเนี่ยรอรอประหารนี่เนี่ยนักโทษประหารทั้งนั้นที่นั่งอยู่เนบางท่านก็นั่งรอรอการประหารบางคนก็โอ้ตื่นเต้นหน่อยโอ้เขาจะประหารเราเนี่ยนะบางคนก็ไม่เป็นไรรออยู่เลยอีกนานให้เราประหารคนอื่นด้วยก่อนไม่เคยเดือดร้อนเลยไม่เคยคิดว่าทํายังไงเราจะออกจากหลักประหารได้เนี่ยแต่ละชาติแต่ะชาติเกิดมาก็ถูกเข้ามาในหลักประหารใช่ไหมมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่ไม่จํา โมหะมัเยอะจัดเวลาโมหาครอบน้ํามนะย้อนสบานหงเนะี่มันไม่เห็นเลยอก็เขายิงกันตายตุมต่มตุมเนี่ยบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไกลเราเยอะเราปลอดภัยแล้วแบบนะี้ทั้งๆที่ตัวเองเดี๋ยวก็ไปถูกยิงอีกนั่นแหละแต่มันจะรูปแบบการยิงมันจะเป็นยังไงใช่ไหมมันจะโรคภัไยไข้เจ็บเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่สีส่จะถึงยิงก็คือโดนยิงเนะ น, นี่ย น, นักโทษทหารเนีนนะ่นั่งอยู่เนี่ย แล้วไม่มีใครถูกตัดสินแบบไม่ประหารเลยนะถูกตัดสินประหารหมดเหมือนไก่แท้ใช่ไหมมันไก่อยู่ในสุมนั่นเลยจะออกอยังไงจะออกจากการเป็นนักโทษประหารยังไงถ้ามาเกิดเนี่ยนะมันก็แปลว่าติดคุกใช่ไหมนี่โรษเนี่ยโรธาแปลว่าคุกนี่เหมือนพ้นนี่โทษคือพ้นจากคุกคือสังสารวัตไอ้ตัวสังสารวัตรมัเป็นคุก ฉะนั้นการได้รูปเวทนาสัญญาสังขารมญญาณมาก็คือติดคุกมันออกไม่ได้อะใช่ั้ยที่ออกไม่ได้ก็เพราะว่าถ้าคิดอยากจะออกนะแต่จิตไม่คิดออกเลดีเอาวันหนึ่งเนี่ยคิดอยากจะออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญาณกี่ครั้งคิดอยากออกเลย บางคนออยากจะไปนิพานเนี่ยโยโซพกวาสวหลับจะไปนิพานนั้นเสกเมื่อนี้มาดูแลโอ้หวหน้าขำเใยนะมางคนเนี่ยนะคืออยากจะอยากจะพ้นทุกข์แต่ปริมาณของความปรารถนาความต้องการกับสิ่งที่ตนเองกระทำคนละเรื่องมันสวนทางกันเลยยจะพ้นได้ไงเหมือนเล่นขายของ นี่การขัดเกล่านี่ทําเหมือนเด็กขายของได้ไหมไม่ได้หรอกไม่เรื่องหรอกคนทุกข์ไม่ได้เนั้นต้องต้องมีความเข้าใจคําสอนเนาะส่วนอาสารอ า, าส า, า, าสโตมอะไรเนะอ า, าสาก็เป็นสภาพที่ไม่สําราญอันนี้ก็ น, านํามานําความไม่สําราญมาฮหพญาโตก็เป็นภัยเนาะเป็นบ่อกเกิดของไัยทุกชนิดเลย ชาติภัยชร า, าภัยมราณะภัยอะไรไปตามลำดับเถอะนั้งภัยทั้งภายในภายนอกภัยคือกิเลสคือราคาโทสะเป็นต้นนั่นนะแล้วส่วนที่หลบภัยก็นู่นแหละพันิพานประการต่อมาก็คืออุปสรรคอุปสรรคคาโตก็เป็นอุปสรรคตรงนี้ท่านบอกว่าถูกสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ ถูกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ี่ไม่ใช่น้อยติดตามแล้วนะขันเป็นทำที่ถูกโทษเข้าไปขัดขวางเพราะขันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะอดกลั้นตรงนี้ท่านบอกว่าที่ขันหรือธรรมชาติที่เหมือนกับอุปสรรค ม, มาขัดขวางขัดข้องในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ความย่อยยับเนะี่ยเช่นว่าถ้าภายนอกก็คือมีการเสื่อมจากญาติเสื่อมจากโพคะเสื่อมจากต่างๆเหล่านี้นะ เป็นอุปสรรคหมดละจระโตก็คือหวั่นไหวปรับพุงประพังคุโตก็คือผุพังอัทวัวโตก็คือไม่ยั่งยืนตรงนี้สับ์ตรงนี้ก็คือจระโตหวั่นไหวเนี่ยนะหวั่นไหวก็เพราะมีราบหวั่นไหวไม่ยอมมงคลเสื่อมราบหวั่นไหวไหมนินทาหวั่นไหวไหม จะรเสิร์นหวั่นไหวไหมได้รับสุขหวั่นไหวไหมทุกหวั่นไหวไหมมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศสิ่งต่างๆอะไนี้หวั่นไหวได้โรคกระทำด้วยใช่ไหมเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยถ้าลองไอตัวเวทนาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นจรโตมันหวั่นไหวพอได้สิ่งที่ถูกใจขึ้นมาสุขเวทนาเกิดไหมพอเหตุปัจจัยหมดดับไปแล้ว ได้สิ่งที่ไม่ถูกใจทุกเวทนาเกิดด้วยไปอย่างเงี้ยหรือได้สิ่งซ้ำซ้ำ ซ, ำ ซ, ำซำากๆเวทนาเกิดนี่เขาเรียกวันไหวไม่มีอะไรต้านทานเนี่ยนะพิจารณาเป็นสภาพที่ผูพังด้วยไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่มีอะไรต้านทานอตาหน้าโตไม่ตัง้งเถอะส่วนครับว่าไม่ยั่งยืนก็คือว่า ตกไปในความเสื่อมทุกๆอย่างอันนี้ก็พิจารณา น, านสนาตาณาโตก็ไม่มีอะไรต้านทานอารีนาะโตก็คือไม่มีที่เล่นไม่มีที่หลบแต่ก่อนเราบอกว่าถ้าเราทุกขึ้นมาแล้วก็กลับบ้านนะสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาไปเกิดมีเรื่องมีราวต่างๆอะไรกัครวิ่งไปหาแม่ว่าไปหลบภัยได้แล้วที่จริงไม่มีที่หลบภัยที่ดาววอนไม่ดี ต้องถ้าจะหลบในขันไม่ได้ต้องหาพระนิพพานเป็นที่ซ่อนเลนเป็นที่หลบก็ไล่มาตามลําดับนะตรงเนี้ยนะในรายละเอียดก็อนัตตโตเป็นอนัตตาทีนวโตมีโทษวิปริณาถธรรมโตมีความแปรปวนเป็นธรรมดาสาระกโตเป็นธรรมที่ไม่มีแก่นสารไม่มีแก่นสารปราศจากแก่นสารไล่แก่นสารไม้ออมมีแก่นสารไหม ไม่มีแก่นสารไล่แก่นสารปราศจากแกนสารไม้ท้องหลังปราศจากแก่นสารไร้แกนสารไม่มีแก่นสารต้นกล้วยต่อมน้ํำเห็นไหมฟองน้ำเห็นไหมมายานักมายาทั้งหลายไม่มีแก่นสารปราศจากแก่นสารไร้แก่นสารรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีแก่นสารแก่นในด้านั้นก็คือว่าแก่นของความเที่ยงไม่มีหรอกแก่นของความสุขที่แท้จริงก็ไม่มีหรอก แก่นของความเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีนี่ปล่าจากเดิมนะตุโฉก็คือว่างริตโตก็คือว่าคือเปล่านี่ยตุโฉแปลว่าเปล่าเนริตโตแปลว่างเนาะนั่นแหละแปลว่าตรงนี้ก็คือพิจารณาโดยเป็นสภาพที่ว่างสุญญโตพิจารณาโดยความเป็นของศูนย์อนัตโตก็พิจารณาโดยความเป็นอนัตตา ไอ้ตรงศูนย์นี่แหละที่ท่านสอนเขาไว้ในคําสอนที่ท่านบอกว่าอะไรศุญญโตโลกังอเวขสุโมฆราชาสตาสโตไหมจาได้ไหมศูนย์ยะโตโลกังอเวขสุโมฆราชาสตาสโตอาการโนดที่จิงอุหจั่เอวังมัจยุตโรสิยาเอวังโลกังเวขันตังมัจยุราชานปสติ ดูก่อนโมคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกโดยความเป็นสภาพที่ศูนย์เถิก็คือพิจาราเวทนาเป็นต้นแล้วเนี่ยนะถ้าเธอฆ่าอัตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนลงเสียได้เป็นผู้ข้ามพ้นความตายไปได้ด้วยการฆ่าความเห็นผิดดังกล่าวมานี้มัจจุราชจะมองไม่เห็นบุคคลผู้เห็นโลกโดยความเป็นของว่างอย่างนี้ เธอพิจารณาโลกโดยสภาพที่เป็นศูนย์เนี่ยนยโลกในที่นั้นคืออะไรโลกในนรกสัตว์นรกเนี่ยก็เป็นโลกไหมสัตว์เดรัจฉานเป็นโลกไหมเปรตก็เป็นโลกมนุษย์ก็เป็นโลกเทวดาก็เป็นโลกขันละเป็นโลกไหมอาญตนะธาตุโลกนี้โลกหน้าพรหมโลกทั้งหลายจะต้องเป็นโลกเนี่ยนะ ฉนั้นขันก็คือรคปขันก็เป็นโรคเวทนาขันก็เป็นโลกสัญญาสังขารมิญาณโล ก, กะในที่นั้นเป็นสภาพที่มีการผูกพังมีการแตกดับไปเป็นธรรมดาเขาเรียกโลกเนี่ยนะภิกษุบางโรคกาบทุนแตพระเจ้าบอกคําว่าโลกโลกเนะี่ยมีประมาณเท่าไหร่เนาะและนี่ยนะพระบรมสารสดาก็าโลกอะไรชื่อว่าโลกเพราะแตกดับอะไรละแตกดับ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสภาพที่แตกดับเนี่ยเรียกว่าโรคถามว่าอะไรแล้วแตกดับภิกษุจักษุนี่แตกดับไหมตานี่แตกดับไหมโรูปแตกดับไหมจักขคูวิญญาณแตกดับไหมจักขคูสัมผัสก็แตกดับสุขเวทนาแตกดับไหมทุกขเวทนาก็แตกดับอทุกขมสุขเวทนาก็แตกดับใช่ไหมที่เกิดขึ้นอาศัยจักขคู่สัมผัสเป็นปัจจัยเนี่ยธรรมชาติทั้งกาลนั้นก็ย่อมแตกดับก็ไล่ไปดีทีเนี่ย เอาลองดูปัจจัยของเวทนานะอาศัยตาและรูปเกิดจากขูวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นประจายิ่งเกิดเวทนาเห็นไหมปัจจัยมาเป็นสายอย่างเงี้ยเพราะมีตาใช่ไหมมีสีมีรูปอารมณ์มาปรากฏใช่ไหมมีจักรวิญญาณอาศัยตาใช่ไหมทำสามอย่างประชุมกันพอประชุมกันเป็นผัสสะใช่ไหมเขาเรียกจักรสามผัสสะ เพราะภาษาเกิดขึ้นเวทนาตามมาไหมสุขเวทนาตามได้ไหมสุขเวทนาแตกดับไหมเพราะอะไรดับจะสุเวทนาจึงดับภาษาดับไงใช่ไหมเอาการเห็นเน่ยการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยมันแตกดับอยู่ตลอดเวลาไหมแตกดับตลอดเวลารูปก็แตกดับจากกุญญาจากกุปภาสา่ก็แตกดับจากกุญญาก็แตกดับทําไมมันไม่ดับบอดบดไปเรื่ง มันดับเป็นขณะดขนาดมันดับอย่างรวดเร็วนะนั่นการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยมันแตกดับจักขคูก็แตกดับรูปอารม์ก็แตกดับจักรคูินยานก็แตกดับจักขุูสัมผัสที่ก็แตกดับสุขเวทนาก็แตกดับทุกขเวทนาก็เกิดดับแตกดับแล้วก็อุเบกขาเวทนาก็แตกดับฉะนั้นสภาพที่มันแตกดับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าโลกเรียกว่าแตกดับ แตกดับได้ไหมพินาศได้ไหมผุพังได้ไหมเสื่อมสลายไปได้ไหมหนี่มันเป็นคําไวัยพ์กันทั้งนั้นแหละสรุปก็คือว่าเราอยู่กับสิ่งที่มันแตกดับหรือสลายนั่นเองการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยมันแตกสลายไปแบบนี้เวทนามันก็แตกสลายไปเพราะปัจจัยมันแตกสลายแล้วมันจะอยู่ได้ไหมเวทนามันเวทนาสายปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อตัวตัวปัจจัยแตกสลายตัวเวทนาก็ แตกสลายถ้าถามบ อ, อกว่ากรณีที่ที่รูปขันเนี่ยอัตภาพเนี่ยถ้ า, า, าศีรษะขาดอัตภาพเป็นไปได้ไหมอ่าเขาเรียกปัจจัยไอ้สิ่งสําคัญมันดับไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นสภาพที่ต้องแตกดับเช่นนี้ยจึงเรียกว่าโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเป็นสภาพที่แตกดับอย่างนี้แหละ นั้นจึงเรียกว่าโลกดังนี้เนาะก็ลั rather, พิจารณาโดยความเป็นของศูนย์นะพิจารณาโลกเนี่ยแล้วถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นศูนย์ไหมเห็นเป็นกองศูนย์ไหมก็เห็นเป็นของศูนย์เลทั้งาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสภาพที่เป็นของศูนย์ใช่ไหมทีนี้ไปพิจารณาอีกอย่างก็คือว่าในความหมายที่ท่านบอกว่าเริตต่มเติตเนี่ยนะโดยความเป็นของว่างหรือว่าเป็น เป็นธรรมที่เป็นศูนย์เนี่ยศูนย์จากตัวตนศูนย์จากอัตานิย่าคือสิ่งที่เนื่องโดยตนศูนย์จากนิจจคือความเที่ยงศูนย์จากทุ瓦คือยั่งยืนศูนย์จากสัสนิยาคือความเป็นไปตลอดกาลเนาะก็ไล่ไปตามลําดับถ้าเราพิจารณาเวทนานีิว่างเปล่าไหมว่างเปล่าหรือไม่ว่างเปล่าศูนย์ไหมศูนย์ในที่นั้นศูนย์จากศูนย์จากอะไร ศูนย์จากความงามใช่ไหมศูนย์จากความเที่ยงศูนย์จากความสุขแล้วก็ศูนย์จากความเป็นชัวรเป็นหนึ่งมีสาระไหมเป็นสภาพเป็นเป็นสภาพเป็นผู้ฆ่าไหมเป็นผู้ฆ่าด้วยนะขนาดดูดีพระเจ้าสอนทุกมุมเลยนะบอกว่าว่างด้วยเปล่าด้วยศูนย์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยเป็นสภาพที่ไม่มีสาระด้วย เป็นดังผู้ฆ่าด้วยเสื่อมด้วยเป็นความไม่เจริญด้วยเป็นไปกับอาสวะด้วยแล้วก็มีปัจจัยประชุมปุงแต่งด้วยเวทนาเป็นอย่างเนี้เขาเรียกว่าเปล่าด้วยศูนด้วยเป็นต้นอะไรนี้ยฉะนั้นเวทนานี่ใช่สัตว์ไหมโยมใช่ชีวิตไหมใช่คนไหมเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมใช่หญิงไหมใช่ชายไหมใช่เราไหย ใช่ของของเราไหมไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของของใครนี่เป็นอย่างนี้พระทีเจ้าก็สอนมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันทิ้งธรรมชาตินั้นเสียให้ทิ้งเสียธรรมชาติเท่าที่เธอ ทั้งหลายได้ละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกืกูลนะดูก่อนวิจิตรทั้งหลายอะไรเราไม่ใช่ของเธอทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเอาเวทนาเนี่ยใช่ของเธอทั้งหลายไม่ใช่ใช่ไหมเธอทั้งหลายจงละฉันตราคะในเวทนานั้นเสียเถิดเวทนานั้นที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้กูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานรูปสัญญาสังขารวิญญาณก็นิย่าเดียวกัน ทีนี้ ท, ท่านก็ยกตัวอย่างบอกว่าดูก่อนวิคเธอทั้งหลายหญ้าไม้กิ่งไม้ฟางอันใดที่มีอยู่ในเชตาวันตอนนั้นพระเจ้าประเท่าที่เชตาวันใช่ไหมหญ้าไม้กิ่งไม้ฟางในวัดเชตาวันนั้นชนเขาออาญ้านั้นอ่ะไปเสียบ้างเอาไปเผาไฟเสียบ้างกระทําไปตามปัจจัยชนใด ถึงขันของพวกเธอก็พึงเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือชนเขาบางพวกบางพวกขนเอาพวกเราไปบ้างเผาเสียบ้างก็ทาให้เป็นไปตามปัจจัยบ้างพิกษุทั้งหลายพวกสุขทูลรับบัคฆาแต่พระองค์ข้อนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหมายเขาบกว่ายอมมงคลเวลามีคนเขามาถือแก้วเนี่ยไปถือเอาไปเนี่ย ยมม ง, ง, งคลคิดว่าเขาเอาเราไปไหมเอาเข้าไปทุบยมสมานหลวงคิดว่ า, วาเขาทุบเราไหมใช่กขาทบเราด้วยปะเวลาเขาแก้วไปทุบเนี่ยเชื่อว่าเขาทบเราปะฮะไม่ใช่เขาทุบเราด้วยปะเนี่ยไม่ใช่ <mist y. S 1> เขาเอาแก้วไปทุบเราเนี่ยแปลว่ากขาทบตัวเราหรือวะ เข้าไปเผาไฟเนี่ยใช่เขาเผาเราไห ม, ไมเพราะอะไรไเพราะแก้วเนี่ยไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่เราแล้วมันไม่ใช่ของใครด้วยมันคือดิสเหมือนเงี้ยถ้ามีคนจะยกไอ้นี้ไปเนี่ยนะเอาไปเผาไฟเนี่ย <S <S โอ้ ย, อยเขาเผาเราแล้วร้อนเหลือ เ, เกินแล้วไฟไหม้แล้วก็ตายไปเลยหรือเปล่า <S <S มันไม่ใช่ใช่ไหม ตรงนี้ยภิกษุทั้งหลายบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นว่าไงนะข้อนั้นเหตุอะไรบอกเยอะรูปเวรน า, าสัญญาสังขารนิยานั้นไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของที่เป็นสมบัติของข้าพระองค์ทั้งหลายดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างที่ว่าวันนี้นั่นแหละบอกว่าสิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอเธอจึงพาละสิ่งนั้นเสีก็รูปเนี่ยมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมเอาลองพิจารณาดูเนี่ย ยมสุรันโหงมาพิจารณาว่ารูปนี้เป็นของสุภันของยมสุรันโอหงหรือเปล่าแ้วมันของไข่ใช่ไหมเอามันไม่ใช่ของไข่ใช่ไหมเพราะอะไรถ้าเป็นของของเราเนี่ยแปลว่ามันก็ต้องเป็นไปอย่างที่เราปรารถนารูปนี้อย่าเป็นไปเพื่ออาพาเธเถอดอย่าเป็นไปเพื่อความเจ็บป่วยอย่าเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปเพื่อความยั่งยืนจงเป็นไปอย่างนี้เถอด แล้วเราถ้ามันเป็นของเราจริงๆเราก็ต้องได้สมความปรารถนาตามที่เราหวังตามที่เราตั้งใจชงใช่ไหมแต่นี่มันไม่เชื่อฟังเลยเนี่ยนี่แปลว่ามันไม่ใช่ของเราและมันไม่ใช่ของของใครด้วยมันไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลด้วยใช่ไหมอาเมาพิจารณาอย่างนี้ก็ถึงบอกว่าพระเจ้าบอกเธอทั้งหลายจงละความยินดีเพื่อเพลินเสีย ทละรู้ความยินดีเพลิดเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกืคุณูเพื่อความสุขตลอดการนานๆแก่พวกเธอทั้งหลายนี่พระเจ้าก็ตัดทูลถามบอกว่าที่บอกโลกเป็นของศูนย์โลกที่เป็นของศูนย์เนศูนย์ยังไงฉนั้นเราตาตาคตกล่าวว่าโลกศูนย์เนี่ยนะอนุทบอกว่าศูนย์จากอัตตาศูนย์จากอัตตาแล้วก็จะอัตตนิยะ จับสูก็ชื่อว่าศูนย์ใช่ไหมตะแหจับศูนเนี่ยก็ศูนย์จับว่าไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ของของเราบางทีเนี่ยนะเราบอโอตาของเราอันนั้นตาของลูกเรามันไม่มีตามันเกิดจากปัจจัยไหมเออมันเกิดจากกรรมบ้างมันเกิดจากจิตบ้างเกิดจากอุตูบ้างเกิดจากอาหารบ้างคนแยกแยะดูเถอะไม่มีของของเราอยู่ในนั้นตัวนี้ก็ไปวิจัยเยอะๆนี่นะ การวิจัยในลักษณะอย่างนี้ก็คือค้นหาเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นนี่นะตรงนี้ก็จะรีบผ่า น, านไปแล้วแต่ก็ให้เข้าใจว่าตรงนี้ท่านจะพิจารณาโลกโดยเป็นทุกข์ข้าเป็นสภาพที่ปราศจากความเจริญเป็นไปกระอาสวะเป็นอิปัจัประปชุมบุงแต่งเป็นเหยื่ออย่างมานันมีความเกิดเป็นธรรมดามีความชราเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดา มีความจอกมีความร่ำไรลําพันธ์มีความไม่สบายกายไม่สบายใจมีความคับแค้นใจเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองก็สังิเกตนะเป็นธรรมดาด้วยสมุทิยะโตโดยความเกิดเวทนาเหล่านี้มีอวิชชาตัญหากรรมและภาษาเป็นปัจจัยและการเกิดขึ้นนั่นอถังขมะโตก็คือโดยความดักก็นั่นแหละอวิชชาตัญหากรรมและภาษาดักเวทนากระดักอสาทะโตก็คือโดย โดยชวให้เชื่อมชื่นอาทินวัโตก็โดยความเป็นโทษที่จริงเวทนาเนี่ยเขาให้ให้คุณก็มีนะแต่โทษมันเยอะนิสระนโตเป็นอุบายเคลื่อสลัดออกย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจซึ่งเวทนาย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินความพร่ำถึงและความติดใจเมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะโดยอาการ4ี่บสองอย่างเนี้ย ถ้าเราไปพิจารณาทั้ง42ประการนี่นะถ้าไม่บรรลุเนี่ยผิดปกติแล้วถ้าเราลองไปคิดเจรณาดูสักล้านล้านเที่ยวเหวยกล้าไหมลนะ่ะเอาไปพิจารณาแยกแยะนี่ไม่เคยกล้าทํากันอย่างนีดูเหมือนเหนื่อยเหลือเกินไม่เคยกลา้าทําเนี่ยต้องไปทําดูทีเราพิจารณาเป็นไปตามลาดับถึงมันไม่ดียังไงเนี่ยนะใช่ไม่ใช่พระเจ้าท้าพิสูจน์มาไม่รู้กี่พันปีใช่ไหมเราไม่เคยกล้ากันเลยอ่ะ ไปถึงโอ้โหเยอะเหลือเกินไม่ไว้แล้วมัง้งนี่งเงี้ยเนียเราไปไล่พิจารณาดูดิเมื่อพิจารณาเห็นเวทนาทั้งหลายโดยการสี่สิบสองย่อมไม่เพิดเผนไม่พร่ำถึงแล้วก็ไม่ติดใจเวทนาละได้ไหมโอ้โไม่ไม่ละ้วยต่ทางข้าหารถ้าถึงในชั้นของอริยมรจะอริยมรรคจะละโดยสมุเทเฉทาละกิเลสเนี่นะบรรเทาได้ด้วยทําให้สิ้นสุดถามตอนนี้เราบรรเทาเวทนาอะไรได้บ้างเนี่ย ได้ไหมทำแล้วตายวันนี้เวทนากําเริ่มใหม่ไหมเนี่ยกําเริ่มอีกแล้วเราไปเกิดในภพใหม่อีกเขาเรียกว่าจัดการกับเวทนาไม่ได้ทํากิจไม่เสร็จเพราะไม่รอบรู้เวทนาไม่วิจัยเวทนาโดยประการอะไรต่างๆแล้วจะละเวทนาได้ยังไงในส่วนจริงเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาไหมเป็นปัจจัยตัณหาไหมเวทนาก็นํามาซึ่งตัณหาการหลับนี่เป็นสุขเวทนาไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ นั่งหลับนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกเวน่ะเป็นสุเกเวนาหรือเป็นโทเกเวทนะน่ะเ้ยไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กลัวบากันบาน้านหร้อเวลานั่งหลับถ้ามาสมมติถ้าถมาเที่ยวไปหลับไปเนี่ยถ้ามาก็กลัวกลัวบ้ามันเป็นไงมันเพิินไงมัเพลินอะไรเนี่ยอ้าวอันนี้สองเป็นอะไรใครใช่รู้ยืนสองนี่นั่งฟังธรรมะหลับเป็นอะไร การหลับเนี่ยเป็นถีน้มีท่าเนาะสภาวะของทีน้มิท่านี่มันเกิดร่วมกับอุศ์สสังขาริโลภะโลภะสี่ดวงใช่ไหมแล้วก็โทสะยอีกดวงมันก็จะแล้แต่ว่าโลภะหรือโทสะสทรงผลคือคือในหลักคำสอนโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาหลับสมมุตินนะกำลังนั่งฟังว่าทำอยู่ใช่ไมอีกคนนึงก็หลับหลับแล้วพอเออนีวรณาสนวิถีเกิด แล้วปฏิสนที่หุดตีในขนาดนั้นปฏิสนที่เนี่ยได้คติสองสัตว์นรกกับสัตว์ดิบฉันหน้าหัวเลยฟังทำแยบแย่เลย ก, ก็ก็ตั้งใจไม่ตั้งใจจะมาหลอกหรือเปล่านี่เทแทงทีนะมิธาวิธีีก็เขาจะล้าทีนะมิธาเขาทำไงอ่ะทีนะมิธาล่างไงนะทีนะมิธาเนี่ย ในกรณีที่ในในขณะที่เราจะลาถีนาวิทาเนี่ยเขาต้องคิดไว้ก่อนหรือเพิ่งมาคิดถีนาวิทาเนี่ยนะไอถีน า, าเนี่ยมีความ ม, วา ม, มีความไม่อุตสาหะเป็นลักษณะกิจของเขาก็คือเวลาถีน้าถีนามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาตัดความเพียนไม่เขาอยากจะเพียนอะไรเลยนะแล้วก็มีการจมลงเป็นการปรากฏมีอายโยนิสโสเป็นเหตุใกล้ไม่ฉลาดคิดไม่ฉลาดคิด ส่วนมิถะก็คือมีความไม่ควรต่อการงานเนี่ยมีการทําสำยุทธธรรมให้อ่อนแอแล้วก็มีความดหดโูดแล้วก็มีอายโยนิโสเหมือนกันดั่นความไม่ควรต่อการงานนี่เป็นลักษณะของทีน้มิถะถ้าถามว่าทีน้มิถาเนี่ยเราจะลัดได้ด้วยอาการยังไงจะลัดได้ด้วยอาการยังไงทีน้มิถามันจะลัดได้ด้วยเอาด้วยยังไงจะละดีน้มิถะด้วยอะไร โอโหขนาดวิธีการเจรจาก็ายังไม่รู้ลำดับแรกเลยเนี่ยค่อยเตรียมตัวมาวเวลาจะกินอาหารเนี่ยรู้หมดแต่อดไม่ได้ในลำบากนีเรเนี่ ย, ร, ยรู้ทุกเรื่องเลยยอมทำานี่เนี่ยอะไรรู้หมดแล้วเล่าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีเลาเขาแม่กินเยอะเห็นพวกเรากินอะไรกันดีเนี้มากั น, นึกเศรา้าใจ ไม่เคยเตรียมตัวที่จะฟังเท่าทมกันให้ถูกต้องใช่ไหมจริงๆในสมัยครังพุทธกาลเนี่ยมีชื่อเสียงมายนทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อภิกษุเนี่ยฉันโพชนาแบบพรามที่ชื่อว่าอาระหะหัตกะฉันพรามคนเนี้ยฉันจนลุกไม่ขึ้นต้องช่วยคนอื่นพยุงจับดึงมือลุกบอกว่าช่วยที่ไม่ไหวแล้วหนักจั พวกต้องดึงลูกนี่พราบมันเนี่ยมีชื่อมาเย็นทุกวันนี่นะพราบมันเนี่ยกินจนพวกต้องยกยกแบกขึ้นนี่นะส่วนพราบอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ลุกไม่ขึ้นอย่างเดียวเพรา ก, กินไปเดี๋ยวขอ น, นอนหน่อยคงไม่ไห ว, ว้นอนแล้วต้องกลิ้งไปมาด้วยนะกลิ้งมันลุกเดินไม่ได้นอกจากอันนี้หนักกว่าเดิมอีกเรียกว่าตัตตะวะต ก, กาพรรบส่วนพราบอีกคนหนึ่งชื่อว่าอลังกรากาพราณเนี่นะกินจะต้อง ต้องขยายถ้ามีเข็มขัดก็ขยายเข็มขัดออกอะ่ะเคยไหมเคยด้วยเลยโอ้น้าเป็นห่วงนักเดินนี่เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม่กินเพื่อจะให้อีกนะมิถ้าเล่นงานนึ่านั้นแหละส่วนพรามอีกคนนึงก็คือกินกินจนต้องสำลอกออกมากินแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วมันลน้นล้นคอแล้วต้องไปอ้วกออกอะ่ะฉะนั้นในลักษณะที่บริโภคเกินไปการกินอาหารนี่นะ